จบของปล่อยใหาชื่นใจเรียกว่าสภาวะธรรมที่ทำให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวทุกคนมีแล้วในชีวิตของเราในชีวิตของตตแต่ละคนสภาวะธรรมที่พระเจ้าเสดอองนั้นไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเราหนี้ มีสิทธิจะศึกษาและลูกแจ้งได้เช่นเดียวกันเราก็พระเจ้าก็โชยยกขึ้นเขียงขึ้นมาแล้วก็ทำให้หมดปอยโดยคำพูดผู้ฟังคือปัญจวัคคี ก็เพียงแต่ฟังเฉยๆน้อมใจไปเมือกับขวนถากถากสิ่งที่มีอยู่กับปัญญาวิชศษหลดออกหลุดออกหลุดอดอกเพราะิ่งที่พระเจ้าทรงสแสดงมันมีอยู่กับทุกชีวิต คนทัญญาใส่ใจฟังรู้คำพูดเหมือนกับขวัญถากตัวเองเอาคำพูดมาถาก็กหลดออกไปได้เพามันเป็นความเท็จความจริงบอกเท็จบอกความเท็จความจริงแก่ผู้ฟังผู้ฟังก็ทำตามคำพู ด, ดนั้น จนจนหมดเกลี้ยงถ้าจะว่าถากก็ถากกันหมดก็แสดงถึงภาวะสภาวะธรรมที่เห็นบ่งบอกประทางขียอรมรญาตตอบรับ นับชะนองมีแนวร่วมคุณเจ้าก็โชว์ขึ้นว่านี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั่นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ผลได้ผลธรรมเทศนาธรรมจักรทราให้เป็นไปแล้วถามพูกมีอายุคนธรรมดา ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วว่าสิ่งใดสิหนึ่งเกิดขึ้นตปนธรรมดาสิ่งนั้นยอมในความดับไปจนธรรมดาเรียกว่าโชว์ผีมือ <c oughs> ได้ผลได้ผลแลวก็มีอยู่จริงดังนั้นพวกเรานี่มาจากต่างในสายใจคอ ต่างครอบครัวต่างตระกูลไม่เป็นไรสภาวธรรมที่ทำให้เราเป็นอั่นเดียวกันมีอยู่เราสัมผัสได้จิต ท, ที่ทำให้เราไม่เป็นนั่นเดียวกันก็มีอยู่เราสัมผัสได้อยู่ในกํามือของเราพร้อมที่จะวางได้สุทธิ เช่นความรู้ความหลงอยากพู้มาได้ก็รู้ได้ขณะที่ความรู้เกิดขึ้นไปในกายแล้วก็ทำลายความหลงไปในตัวจึงเป็นสิงที่ทำได้เช่นนี้ก็ได้ทิศทางเก็นเกษียบไป โถ้ามีความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดถ้าในความเจอะก็ต้องมีความไม่เจอะถ้าในความเจ็บก็ต้องในความไม่เจ็บถ้าในความตายก็ต้องมนความไม่ตายเห็นทิศทางไปมั่นใจมั่นใจในการกระทำเมันเราจะทําอะไร มั่นใจก็ว่าทําได้ทําได้แล้วมัน ก, ก็ทําได้เพราะสิ่งที่ทําสิ่งที่ไม่เกิดการกระทํามันอำนวยให้เกิดการทําได้สำเร็จมั่นใจเชื่อมั่นในการกระทำเร็นรูปแบบของกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติปัญกา ตามที่พระพุทธเจ้าจด้ทำมามาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เอามาสอนเป็นสากลทุกคนก็มีกายรู้ที่กายก็รู้ได้โดยรูปแบบกรรมฐานรูฉันเข้าเหยียดฉันออกในอริบบ์ใหญ่ จนชำนาญจนคล่องตัวในความรู้ภายในกายเมื่อมีความรู้ภายในกายก็เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายมากมายอะไรเกิดขึ้นก็มีความรู้เฉกเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นเจ้าถิดนนี่คือแล้วก็มั่นใจอย่างนี้รู้ได้ทันที แม้จะเคยกลวงหลงก็กลายเป็นความรู้เกิดสุขเกิทุกข์ก็กลายเป็นความรู้ได้มันมีความผิดความถูกความผิดก็บอกความถูกก็บอกไม่มีใครเอาผิดถ้เห็นความถูกตอกเจินความทุกข์ไม่มีใครเอาเห็นความไม่ทุกข์มันตรงกระทำมจึงมั่นใจ มีวิธีทำถ้ า, าเรามั่นใจรูกประกรรมหรือปรอะกรรมฐานเราก็รู้จ ก, กันในฐานะแบบนี้ถ้าทุกคนทุกชีวิตที่มีรูปมีตามมีสติจภนกายเราก็ไว้ใจกันได้แล้วเขาจะเปลี่ยนเองเขาจะเห็นความีิดความถูกเองเขาจะเปลี่ยนความผิดเป็นความให้ถูกเอง เราลตัวเองแล้วก็เหมือนกับทำมาเดียวกันเราก็ทำอย่างนั้นคนอื่นก็ทำอย่างนั้นใครก็ทำแบบนี้นี่ระวัาสภาวะธรรมที่ทำให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเรามีสิติก็เป็นคนคนเดียวกัน จากความช่วททำความดีเหมือนกันความดีทีละเอาความดีทีความช่วทีละไปแล้วเพิ่มความดีที่เกิดขึ้นก็มีคำต่อบวกเองชค่ไหนเพียงไรตามสุควนเจรผู้ปฏิบัติก็เกิดความขยันเกิดความภาพียัเกิดความศรัทธา มาเองในท่อถอยมีฉัตธาเกิดขึ้นเพราะทําดูแล้วมีความเพียรประกอบความเพียรเกิดขึ้นมีความอดทนเกิดขึ้นมีฉติปัญญาเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนไม่เคยมีฉัตรธาใยเรื่องนี้เกิดมีฉัตรธาเรื่องนี้ขึ้นมาได้สมบา ก, กบโลกธรรมมาก ตามทุกคนแก่ผู้ปฏิบัติน้าเราไม่มองดูแล้วเป็นจิงที่อ่านหมู่ธนาคนละบทคลธิดาที่เห็นกระแสรเรื่องนี้พากันศรัทธาถือบวชเป็นตับายเราก็ได้เห็นถึงตอนนี้ มาเอ ง, เองไม่มีใครบังคับอย่างเจ้าหน้าที่บวชวันนี้มาเองศรัทธามาเองพอปิดเทอมก็มาทันทีไม่มีใครบังคับเพื่อจะมาศึกษาเรื่องนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ชูขึ้นไว้ ได้โชว์ให้เห็นนี่มันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ในหลักการปฏิบัติในหลักการในทานดนําเหมินชีวิตทําไปแล้วไม่มีฉัทธาแล้วก็เกิดฉัตธาขึ้นมาบ้าก็ทึงบ้านทึงเดือนมาทํานู่นนี้เกิดให้เกิดขึ้นเก่ตัวเองเป็นเพื่อนเป็นมิตร น่าจะขอบคุณมาก้ากขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจมีศรัทธามาปฏิบัติธรรมนเะหมือนกับเหมือนกับว่ามีหวังมีหวังจะได้สาธาราญาตาเกิดขึ้นชื่อประชาสดาได้ได้เป็นคนดีของ ตะกูณเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของบ้านเมืองเป็นคนดีของประเทศชาติเป็นคนดีของโลกเมื่อเมื่อคนดีเกิดขึ้นในโลกในบ้านในเลื่อนในครอบครัวในบ้านเมืองสิ่งที่เกิดดีก็เกิดขึ้นตามมาเอาเปนที่เพึงอนฝาแฝดช่วช่นกันและกันได้เวลานี้คี่ ที่ดังที่สุดในเรื่องกุลบุตรกุลธะิดาออกปวดคือประเทศไต้หวันประเทศเวียดนามเคยไปอยู่์ไต้หวันหนุ่มสาวทั้งนั้นออกบวดหนุ่มสาวที่ออกบวดไม่ใช่เป็นคนโอ้เอเป็นคนมีสตีปัญญาจบปัญญากันทั้งนั้นรัฐบาลไต้หวันจน จนทึ่งใจในเรื่องนี้ยินดีสนับสนุนต้อนรับในศรัทธาของหนุ่มสาวที่ออกมารับผิดชอบในด้านคุณธรรมเป็นตัวอย่างของประเทศชาติออกเผยแผ่ทำอะไรได้ หรือว่าเรียบไปเลยโดยเฉพาะภิกษุณีมีผู้ต้นรอบมากกวัวพระสงฆ์ในวัดหนึ่งแต่ละวัดมีภิกษุณีเจ็ดสิบแปดเูปพระสงฆ์มีเพ้งสอมสีูปตื่นขึ้นมาก็ลดคนละคันออกเผแผ่ธรรมมีเครื่องมือในการเผยแผ่ วิดีโอซีดีวีซีดีได้สอ น, นทำร่วมกันที่นิวยอร์กพิจินีไต้หวันในภาคระวันออกนักเรียนปิดเทอมนักเรียนเข้าอบรมเข้าพอดต้องส0 0คนก็มี ชั่วโมงเรียนจัดชั่วโมงให้เรียนให้ปฏิบัติเราก็ได้ชั่วโมงไปสอนภิกษุณีก็ได้ชั่วโมงไปสอนพระสงฆ์ก็ได้ชั่วโมงไปสอนหลายชั่วโมงที่ทำให้เยาวาชนได้มีการศึกษาโดยชั่วโมงที่เราสนอนยังสู้ภิกษุณีไปได้ ชั่วโมงที่พัชรีสนเนี่ยรู้สึกนักเรียนนักศึกษาตื่นเต้นมากมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นสนุกสนานชั่วโมงที่เราสนเนี่ยมันเกิดอยู่ดั้งง่วงเหงาห่อยน่อยช่วงเวลาแล้วเขาก็ได้ผลเวลาครับติดเจบคอร์ดเขาก็มาแสดงละครในหมู่ของเยาวชน จนได้แสดงเรื a a a ่องโคนต้อมบทที่ได้เรียนมาบทที่เราสอนเขาก็ออกมาจากฉากเดินจงกรมกับไปกับมาก็มานั่งยกมือสร้อยจังหวะมายกมือสร้างจังหวะเขาก็พูดเรื่องเขาปฏิบัติแล้มาจังยกมือสร้างจังหวะถ้ามาจัเดินจงกรมเขาก็พูดถึงคนที่ได้รับเรากลับเข้า เาฉากฉากที่เขาได้เรียนมาทุกฉากเขามาสแสดงเป็นบทละครเราก็ไปดูเขาสแสดงเขาจะต้องเขาเองเยาวาชนมีถึงฉากวัดยูดินด้วยนะเร <laughs> าออกฉากมาบฟันกันเลยต่อยกันเลย เหมือนมีจริงๆเราก็ได้สัมผัสกับอา จ, จารย์สอนนั่นแล้วก็ทมได้สำเริงเหมือนกันแต่ฉากทุกฉากสู้พิกซุนีไม่ได้เจ้อเยไยแ่เวียดนามก็มีคนหนุ่มคนสาวออกบวชกันมากแต่รัฐบาลรัฐบาลเวียดนามไม่สนับสนุน อยู่อย่างนี้ไม่ได้กลุ่มคนนุมคนสาวจะมอยอยู่แบบนี้ไม่ได้ถ้าอยู่แบบนี้ต้องศึกถ้าไม่เจ็กอยู่ในเพศนักบวชกันได้เพราะมันเป็นสังคมคอมมิวนิสต์เวียดนามจยังเป็นต้องหนุ่มสาวที่ออกผวดต้องออกจากประเทศมาอยู่วังไทยในตัวเนีหน้าศรัทธาบ้าน ดอกเสื์อาจารย์ฤทธาตอนม่านพรมมีคนไทยส น, นุนกล็ลองโชว์กำลังโชว์วิธีการปฏิบัติการศึกษา เ, เราก็ไปดูไปสนับสนุนเขาเอามาซื้อที่อยู่ที่ปากช่องแต่เขาใหญ่เนมีคนไทยสนับสนุน ครับพวกเราเถราวาทยังพากันนั่งอยู่กันแบบไม่มีพัฒนาไม่มีกระตือรือร้นในการสอนธรรมะอาจจะล่าหลังได้เานั้นเราจึงทีตัวขึ้นมามีทุละอยู่สองอย่างเนี่ขันธ์ทุเละศึกษาโลกเดียน วิปัสสนาธุระในภาคปฏิบัติอะไรอันหนึ่งให้มันเด่นขึ้นมาบ้างเลี้ยนให้มันจบมันชินลองดูวิธีที่เลี้ยนนี่ก็ทำได้มีได้สมผัสได้ฉันเลียนกรรมฐานวิปัสสนาธุระเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่อันอื่นมันสัมผัสเดี๋ยวนี้วิาธีนี้ตามพระเจ้า ได้ทรงแสดงทรงสอนได้ตัดสรูปเพราะเรื่องอย่างนี้น่าจะไม่ลงเลงเกิดมาทั้งชาติแล้วมีพร้อมแล้วสถานที่ก็พร้อมแล้วความเห็นของหมู่คณะก็พร้อมแล้วเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันน่าจะสนับสนุนน่าจะใส่ใจด้านนี้กันเรียนให้จบลองดู มันจะเป็นอย่างไรเอาให้จนอาจารย์หมดให้ครูอาจารย์หมดที่จะสอนเราจบแค่นี้มีได้จากการเริ่มท้นยกมือสร้างจะงหวะรู้สึกตัวเนี่ยจะไปถึงที่ไหนมันจะบอกเองการกระทําของท่านที่ท่านผู้ทำมันจะบอกไปเองทิศทางเป็นอย่างไรมันจะบอกไป ร้บอบทเรียนจากการกระทําไปเออสะดวกสบายไม่ต้องมีวัตถุอันอื่น ใ, ใจของเราเป็นวัตถุมาประกอบให้เกิดมา่เกิดผลให้มันจบชีวิตเองตั้งแต่หนุม่มแต่สาวจะได้มีชีวิตอยู่อย่างงดงามเกิดผลกระทบเกิดตา ม, มามากมาย เราจึงไม่น่าตัดเใจสงใส่อย่าดังเใจสงสส่บางทีความชิดน่ะรบกวนจะบวดตีหรือจะศึกตีนอ้องจะเอายังไงดีมันทีก็ผู้ที่เคยคมีครอบครัวเคยชิดผัวโน้นทางนี้ก็เป็นภาระปฏิบัติตรมมาก็ได้ผล เชอมานุ๊กสิคนไปฟังเทศพุทธเจ้าไปถาม15คนทุ่มเทลงไปถามและปฏิบัติตามส่วนบรรย์คนหนึ่งที่ว่าปีงเขียมานุย์คิดถึงแต่ลุงห่วงแต่ลุงเวลาพุทธเจ้าเทศ ทนาตอนไหนตอพราศิตจะพกข้ออย่างไรไปล้พอพิงไม่น้อมใจมาโอมาปฏิบัติมัวที่คิดถึงลุงตัวเองห่วงแต่ลุงเลยไม่ได้ปรรูุธรรมกับเขาสิบห้าคนเป็นประหารหมดติงเข้า ม, มานุ่ห่วงลูงอยากให้ดูงมาฟังคิดถึงลุงเลยไม่ได้เป็นทหารกับเขา ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันความคิดห่วงโน่นห่วงนี่คิตของคนแต่ละคนก็มีคติเป็นของเขาเอ้เราจะห่วงขนาดไหนเขาก็เป็นไปของเขาเองบางทีมันต้องสู้เื่อมแข็งขึ้นมาบวามยากลำบากทําให้เราทำให้เขาเื่อมเแข็งขึ้นมาแต่เราออกปุ้มออกลีมากกันไว้ปทําให้เขาอ่อนแรงก็ได้ไม่สู้ เพิคนอื่นไม่เข้มแข็งตป็นไปได้มันมีคติทุกชีวิตรำห่วงคนอื่นต้อทําตัวเองให้ดีจริงใดไม่รู้เราควรจะรู้จริงใดไม่เข้าใจคนจะเข้าใจจริงใดไม่แจ้งให้ทําให้ตัวเองให้แจ้งตอนนี้เหมือนกับบอกพระบวนว่าคิดถึงแม่คิดถึงแม่มาพูดให้ฟัง นายคิดถึงแม่มันก็คิดได้นันความคิดคิดอะไรก็ได้ดอกคิดถึงเฉยๆไม่ไประโยชน์ถ้าคิดถึงแม่ต้องเป็นคนดีต้องมีระเบียบเรียบร้อยต้องทําความดีซึ่งใจคิดถึงแม่ดได้มือหนิ้วจีบนิ้วทำความดีคิดถึงพ่อถึงแม่เอามือห้านิ้วจิบนิ้วได้มาจากพ่อจากแม่มาทําความดีนี่คือความราบับความรักของพ่อของแม ลูกชายลูกสาวเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขมี่คือความคิดถึงที่เป็นการกระทําออกมาโดยพ่อภาคปฏิบัติสมบูรณ์แบบในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้มีพ่อคุณเราจึงไม่มีวิธีใดที่จะประเสริฐเลิศดของการฏปฏิบัติเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเราก็เห็นอยู่ เห็นตัวหลงเห็นตัวรู้มันรู้มันหลงมันสุขมันทุกข์มันไม่สุขมันไม่มไม ท, ทุกข์ทำได้ทุกชีวิตเราได้ชมถัดความหลงก็ไม่ขี่ช้าขีมามามันเคยจากความคิดความคิดก็อยู่กับเรานี่ผู้บับก็คือความรู้สึกตัวนี่โชว์ขึ้นมา เหมือนพูเจ้าโชูอเมักให้ปัญจวีดูคมเรื่องกรามเรื่องกามมจุขนิกาตโยโคคมลงไปโชว์อเมักคมลงอัฏฐิม ธ, ธ า, าโยโคโชว์อเลมักขึ้นตาโชูนอเมักขึ้นมาโชว์ฤทธิัตรูลงไปทุกขมันมีอยู่ เวลาปิดทุกขาเพราะยาวปิดทุกขาโมลังปทุกขาต้องเกิดเป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายปทุกโชคมาคูไปแน่นอนทุกคนต้องเกิดเจ็บเ จ, เจ็บตายเมื่อโชว์ทางออกมาแล้วต้องตายอันนี้ก็โชว์ของเราเนี่ยมันหลงโชว์ความไม่หลงกันมายิ้ไมได้เมื่อไปมีผิดโชว์ควมไม่ผิดขึ้นมายกเบอรขึ้นมา ก็มารู้จักตัวดด้ทุกคนนี่คือข้อปฏิบัติวิปัจฉนาธุละเป็นทางอันเองไปสู่ที่เดียวไปคนเดียวถ้าปฏิบัติไม่ล่าสมัยไม่ล่าสมัยมักคนนิพพานอยู่กับคนที่ตั้งใจปฏิบัติชีวิตเกิดมาในเพื่อการนี้โดยตรงหัวหลงเพื่อการไม่หลง ความทุกข์เพื่อการไม่ทุกข์ชิงนใดเป็นทุกข์สีแน่นไม่ต้องทุกข์นี่คือเป้าหมายที่หมายปลายทางของชีวิตเราความตายความเปรียบไม่มีค่าอะไรอาศทาเก่งกล้านะเกิดมีพลังขึ้นมาง่ายตายเหมือนชาติเกินอ้อยเข้าวิจารว่าผู้ใดที่มีสติพี่เพียนเพ่งอยู่เกิดเลยขึ้นมาง่าย จิงนั่น้องหมดไปเหมือนชาติกินอ้อยถ้าไม่มีความเพียรมีศรัทธาก็ยากเหมือนเข็นโคขึ้นเขาศรัทธาความเพียรสติมัญญัเป็นพลังแต่พละพลังทลาออกได้ดีทลาที่มันสุดยอดทลาจากความหลงไปความไม่หลง ตลอดจากความทุกข์ไปถูกความทุกข์เป็นกำลังมากจากจะ ก, กระโดดตรงนี้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นศาตรเป็นศิลป์ของปฏิบัติมันหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงได้เปลี่ยนความชั่วเป็นความดีได้เปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเป็นโกโปเป็นกลับขึ้นมาจากการกระทำของเราเลไม่ใช่ไปอ้อนวอนที่ไหน ไม่ใช่ไปพึ่งอะไรพึ่งการกระทำนี่เรว่ากรลมจำแนศ ก, กศัตว์กลมศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะกรรมฐานนี่ศักดิ์สิทธิ์มาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเมือสิ่งอื่นได้ทำดีก็ดีทันที ความชั่วว่าชั่วทันทีเปียนชั่วเป็นดีก็เปลี่ยนได้ทันทีสมลำหน้าความชั่วรตรื่นอยากเห็นความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นมามันอยู่จนหน่อยคุยเขี่ยมันเหมือนเจ็บเข้าเปลือกออกจากเข้าสารสมัยก่อนโบราณตข้าวตข้าวด้วยกด้วย ตามเราก็มาเก็บข้าวเปลือกออกจากข้าวสารคุยเขี่ยไปจนเห็นทุกเม็ดข้าวเปลือกในกระบุงกระตามีข้าวเปลือกไปเดียวคุยหามันออกทั้งหมดพอเห็นแล้วก็อดไม่ได้ต้องหยิบออกหยิบที่หนึ่งไม่ได้หยิบที่2ที่สามเคยไหมคิดน้อยเคยหยิบข้าวเปลือกออกจากข้าวสารไหไม่เคยนะคนสมัยทุกวันนี้นะ พระโาณเขาเคยนะเจ็บทีหนึ่งไม่ได้หยิบทีึ่งไม่ถูกถูกเงินเข้าสารไม่เอาจีบสองสมทีได้ไม่เข้าเปลือกขึ้นมาลรามั่นใจมั่นใจในขณะที่เจ็บเข้าเปลือกขึ้นมาออกจากเข้าสารล้วบานปฏิบัติเป็นเช่นนั้นจีบทุกที่มันออกมาให้เป็นไม่ทูกข์มันมั่นใจที่สุดในการปฏิบัติ เพราะมันผิดจริงๆนะคำว่าทุกข์เนี่ยอันควไม่ทุกข์มันก็ทูกจริงๆน่ยมันเที่งไม่ได้ทำไมจึงมาแสดงออกาถามนักปฏิบัติเป็นอย่างไรหนูดูหน้าเศร้าโศงโฉงเงวน้ำตาซึมซเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเรื่องรองนเรื่องนี้มันเกิดอะไตน เป็นทุกข์น่อเห็นไหมถ้าปฏิบัติมันจะเห็นไม่ถึงกับป๋าติดมาเปื้อนมาเพื่อนกับมันเห็นมันอย่าอ่อนแอรตรงนี้ให้เชืช่อมแข็งก็ตื่อเรื่องนนี่มันอยู่นี่นี่มันอยู่นี่เห็นมันอยู่นี่ค <c oughs> วามเป็นอย่างนี้ เราเป็นปัญญารู่เห็นตามความไม่จริงในอเลสซีมีประวัติสอาการ12บสองทุกอย่างที่ได้พูดอยู่เสมอกำหนดรูด้โดยการรู้ทุกกำหนดรูด้โดยการละทุกบางอย่างรู้ทุกบางอย่างละเอาไปแบบได้เป็นความโกรธนี่ ให้ได้ดดขาดการทุกข์สภาวะทุกข์ในกําหนดรู้เฉยๆม่ปัญญาได้เห็นความเท็จความจริงของธรรมชาติอาการต่างๆส่วนทุกข์ที่เป็นทุกข์อริยสัจมาจากสมุทัยละอย่างเดียวทุกสมุทัยโยทุกขอริยสัจจังบัญหาตปันติว่าทุกข์ที่เกิดจากเหนไกิดทุกข์เราละได้แล้วละได้แล้ว สิงที่ทำให้พ้นทุกข์เราทําให้แจ้งแล้วทําให้แจ้งแล้ววิธีดําเนินทางกุศลเราได้รู้แล้วโชวอริสัต์โชวอริรมักขึ้นมาวิธีการสมบูรณ์แบบอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวหนังสือที่สวดมนมต์ธรรมวัดเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ชีวิตของเราเนี่ย มันจะอยู่ที่หนังสือว่าชื่อที่คําพูดอยู่ที่การกระทําความลองไปทุกของอะไรชดจังต้องมันมีมีไหมนี้เกิดนี้เกิดม่เจ็บม่ตายไหมเกิดเจ็บความเจ็บความตายเกิดจากปัญลอยูเดี๋ยวนี้ยังไม่เจอบอะไรที่มันเจ็เดี๋ยวนี้ยังไม่เจ็บอะไรที่มันเจ็บ หรือยังไม่ตายอะไรที่มันตายตายเพราะอะไรตายไปเพราะความโกรธคาไม่โกรธตายไปแล้วตายไปเพราะความหลงความไม่หลงตายไปแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีแน่นอนตาอยากไม่อยากให้มีความเกิดความแก่ความเสื่ความตายก็ต้องต้องเติมบัตนี้เปลี่ยนความหลงไปความไม่หลงให้มีความรู้จักตัว เปลนทุกให้เป็นความม่ทุกข์ให้มีความรู้จักตัวเอมีความหลงเป็นหลงมีความทุกข์เป็นทุกข์มีความโกรธเป็นความโกรธต้องมีความเกิดเจ็บเกตายแน่นอนนี่คือทางปฏิบัติสมหมติที่เห็นอย่างนี้จิงได้เป็นทุกข์จิตนั่นต้องละละได้แล้วจิตได้เป็นเหตุเกิดทุกข์ จริงได้เป็นทุกขนจริงเาให้แจ้งแล้วจริงได้เป็นเห็นได้เกิดทุกข์ฉนนันละได้แล้วว่าอย่างนี้ทําอย่างนี้เออจากการกระทำของเรานี่เองอยู่ในนาทีนี้วินาทีนี้ไม่ต้องมีรอไปวันหน้าวันหลั ง, เ ป, ปจจงเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันการปฏิบัติทันอกทันใจจากรู้เดีนี้ก็รู้ได้เดีน๋นี้มีกายกำหนดผู้ดเดก็รู้ มีกายมีสติปนันกายอยู่เป็นประจำทุกนาทีรู้ได้ทุกวินาทีตามรูปแบบกรรมฐาน14ี่รูปส5บห้ารูปแต่ละรูปห่างกันวินาทีเดียวเพียงพองอกงามได้ไวกว่าการกระทำอย่างอื่นปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อย ต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาทีก็เแรงมางทีก็ท่วมแต่ปูสติไว้มีแรงไม่มีท่วมอยู่แก้ไขอย่านี้ได้นันเกิดจากการกระทำของเรานี่เองการกระทำว่าไม่มีอะไรมีกายวาจาใจสามทวาร สามถาวรนี่ไม่รับไม่รีมีสติเห็นทั้งนั้นโชว์ให้สติเห็นไม่รับรีสติไม่ได้ไม่มีความรับถ้ามีสติถ้าเราฝึกเราจะได้ใช้มันถ้าเราไม่ฝึกมันจะใช้เราใช่กายใช่วาจาใช้จิตใจถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ฝึก กายจะใช่เราวาจจจะใช่เราจิตใจจะใช่เราเราก็เป็นจำเลยของความผิดมากกว่าความถูกหลงอจีเสดจีอสงไขหลงลู้จีหลงลู้จีลู้หลงกับความลู้อะไรมากกว่ากันเกิดมาถึงวันนี้ ความรู้จฉกตัวกับความหลงตัวอันไหนมันมากกว่ากันเวลาตาเห็นลูกอะไรมันหลงเหมือนลูกอะไรมันมีตรงนั้นเวลามันคิดกันมาความคิดก็ให้ฉุกเฉิทุกข์หรือความคิดพาให้รู้เฉกตัวก็ใทีมันแสดงมาเป็นมีความฉุกความทุกข์พรา ก, กายหรือมีความฉุกมีความรู้เึกตัวพรา ก, กาที่มันแสดงออก มีวิธีเหนือการเกิดเจอบ จ, อจอ็บตายนาฬามันคิดขึด้นมาให้ความคิดพาเป็นจุกเป็นทุกข์หรือให้กายพาเป็นจุกเป็นทุกข์หรือไ้เป็นเช่นนั้นต้องอยู่ในชาติสล า, วาสบวรนะโศกอกไปเรียว่าทุกข์อ้อ ตะโกนลงกมาในใจจะมีสักครั้งหนึ่งถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้จะได้พูดออกมาในหัวใจตึกๆ ด, ดังไปถึงที่ไหนตั้งแต่นี้ต่อไปคำว่าสุขคาว่าทุกข์ที่เกิดจากกาจากใจจะไม่มีอีกแล้วว่าอย่างนี้หรือว่าจบ หลางจะมีความสุขความทุกข์จะเกิจกดจักรจากใ จ, กจกอยากวายจบจากชินยังมีภพยังมีชาตินั้นพูดเจ้าว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรากาเกิดีไม่มีอีกแล้วคืออย่างนี้แหละการเกิดอีไม่มีแล้วเอากายเอาใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์จะไม่มีอีกแล้ว ไม่มีอีกแล้วตอนนี้ไปกําดาวสุกทั่วทุกเกิดจากกาจากใจจะมีอีกแล้วเราจะใช่กาใช้ใจนี้เป็นพ่วงแพรข้ามฟ้าทำได้สําเร็จประโยชน์ยกมือสร้างจังหวะลู่สักตัวมีปากก็พูดความเท็จกองเียงความหลงไม่จริงความไม่หลงเริงกว่ามีปากพูดอย่างนี้ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เก่งกว่าจะพูดอย่างนี้ ไดยก็จะไม่ทํโก้มชัว่วทําแต่ความดีสิ่ใจก็คิดเมตตากุณาเต็มไม่มีแ ม, ม, ม่น้าภูเขาทะเลจะขวงกันได้จิ่งใหญ่พิสารอปมัญญามัมีขอบเขตเมตตากรุณาอย่าไปคิดว่าจะมีพิษมนภัยเราลูกกันดักจาพฟาธระมเช่นนี้ตาพาธรรมเช่นนี้มีอยู่กับทุกคน แต่ที่เพื่งนผาอายกันได้ในพบได้เห็นในเป็นศาสนาพระศีลเม่ใจเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้ได้พบเห็นทุกคนทุกคนเดิดอากเข้ า, าร่วมกัน